คนมีศีลมีธรรมน้าท่วมบ้านไม่ทุกมากคนไม่มีศีลมีธรรมก็ทุกมากแค่นั้นเท่านั้นแหละนี่เรามีทางเลือกที่จะไม่ทุกข์ก็ได้แต่ปัญหานะ่ะหนีไม่รอดหรอกเนีย่ยเราเกิดในสังคมชนิดนี้นะกรรมส่งผลมาให้เรามาเกิดตรงนี้แหละต้องเจอปัญหาอย่างนี้หนีไม่รอด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 รู้ว่าตัณหาความอยากเป็นตัวสมุทยเขาก็หาวิธีละตัณหาอยากกินเขาก็ไม่กินไม่ตามใจมันอยากนอนก็ไม่นอนหรือจะนอนก็ไ่นอนบนหนามบนตะปูอะไรเงี้ยทรมานกายหวังว่าจะสิ้นตัณหาพระพุทธเจ้าก็คนพบวิธีสิ้นตัณหาแบบของท่านของเขาก็คนพบวิธีสิ้นตัณหาแบบของเขาสิ้นไม่สิ้นก็อยู่ที่เขาแหละ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 ถ้าใครไม่ถนัดที่จะฝึกสติจากกายก็ามาฝึกสติจากจิตใจนะคอยดูความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงใน ใ, นใจของตัวเองในใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหมุนไปเรื่อยๆนะคอยดูความเปลี่ยนแปลงของใจไปดูใจจนมันเคยชินที่จะดูใจตัวเองนะพอมันเคยชินที่จะดูใจิตใจตัวเองต่อไปนะอย่างสุดคุยกับเพื่อนอยู่กาลังเผลอเต็มที่เลยเพื่อนขัดคอเรานะความโกรธปว ด, ดขึ้นมาใน ใ, นใจแวบ